วันนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไปแต่เนื่องจากวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่มาประจบกันถึงสามเรื่องคือเมื่อวันที่21สที่ผ่านมานี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศกกรีนครินทราบรมราชนนี้ซึ่งประชาชนคนไทยในปัจจุบันมีความรู้สึกเคารพรักเทิดทูนพระองค์ท่านว่าในฐานะสมเด็จย่าของประชาชนและวันนี้ก็เป็นวันที่เรียกว่าวันพิยามาราชซึ่งชาวไทยทั้งชาติได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ประเสดิฐ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจะอยู่หัวซึ่งเป็นที่รักของประชาชนและสร้างประโยชน์เกือ้อกูลแก่ชาติบ้านเมืองไว้เป็นอนเนกรประการทั้งยังเป็นการปฏิบัติจิตภาวนาในวันเสาร์ตามปกติอีกด้วยดังนั้นในโอกาสนี้จึงปรารถนาที่จะกล่าวธรรมะซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงไว้ด้วยประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจะอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชช น, นีทรงประพฤติปฏิบัติด้วยและเพื่อเป็นหลักในการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดสุขประโยชน์ตามสมควรแก่การปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วยโดยจะอาศัย คุณธรรมความดีที่ประพฤติกระทมในโอกาสนี้น้อมอุทิศกุศลถวายเป็นราชพรีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิยะมหาราชเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราประรมราชชนีเพื <c oughs> ่อให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืดนานราศจากโรคขาพาด เบียดเบียนประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญของประเทศชาติบ้านเมืองสืบไปทั้งสองพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยคุณธรรมเป็นเอเนกสุดที่จะพันานาได้แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความเคารพความนับถือการไม่ทะเลาะกัน การสงเคราะห์กื้อกุลซึ่งกันรใดกันและความสามาคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชนที่อยู่เป็นหมู่คือตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งพระบูมีพระภาคย่าทรงแสดงไว้โดยสรุปก็คือประกอบด้วยธรรมะที่สําคัญสีประการประการแรกคือเมตตาซึ่งเป็นธรรมะที่มีความจําเป็นในการอยู่ร่วมกันของบุคคล ภายในสังคมดังที่ท่านแสดงไว้ว่าเมตตาเป็นธรรมค้าจุนโลกเมตตานั้นในชั้นของการปฏิบัติแล้วก็คือการสร้างความรู้สึกแพร่ไปในการที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประุสรายกัน ให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนในการปฏิบัติโดยทั่วๆไปนั้นหมายถึงการแสดงออกมาได้ทางกายด้วยการช่วยเหลือกันในกิจการงานที่ชอบแสดงออกมาทางวาจาคือพูดจาปราศัยกันด้วยเมตตาจิตเป็นพื้นฐานหวังประโยชน์สุขความเจริญแก่บุคคลผู้ได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านั้น ในชั้นของกรรมฐานเป็นกรรมฐานประเภทที่ทรงแสดงเพื่อกะจัดพยาบาทความโกรธความไม่พอใจเป็นต้นที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนอย่างน้อยที่สุดก็ให้เป็นการสงบอยู่ได้ในขณะนั้นนั้นซึ่งการที่บุคคลสามารถสงบความโกรธความไม่พอใจความอาฆาตพยาบาทจึงเกิดขึ้นภายในจิตโดยอาศัยหลักธรรมคือเมตตา ความรักความปรารถนาดีดังกล่าวแล้วแม้จะให้เกิดขึ้นได้เพียงชั่วขณะหนึ่งเพียงชั่วแวบเดียวเท่านั้นก็ทรงแสดงว่าเป็นข้อปฏิบัติที่มีผลมีอานิสงส์มากไม่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงการปฏิบัติที่สืบเรื่องกันไปโดยการตั้งจิตแผ่ไปอาศัยเมตตาเป็นหลัก ราถนาที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วซึ่งอาจจะเริ่มเป็นการแผ่ไปโดยเจาะ จ, จงคนใดคนหนึ่งไปก่อนแล้วกระจายความรู้สึกเหล่านั้นออกไปเป็นสเพสตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่สวดกันถ้าหากว่าสามารถทำได้ในลักษณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงถึงอานิสงค์คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการแผ่เมตตาหรือการที่จิตอยู่ด้วยเมตตาธรรมว่ามีอนิสงค์เป็นอเนกรประการเช่นนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันรายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมรักษา ศาก็ดีอาวุธก็ดีไฟก็ดียาพิษก็ดีซึ่งเป็นอันตรายแก่คนทั้งหลายนั้นไม่สามารถจะทำอันตรายแก่เขาได้และจิตใจก็จะตั้งมั่นส ง, งบเป็นสมาธิได้ในเวลานวดเร็วถ้าหากว่าบำเพ็ญเพียรภาวนาไปจนถึงชั้นที่เรียกว่าเมตตาชาน ก็ทรงยืนยันผลว่าเจ้าบัตในพรหมโลกแต่ถ้าไม่ถึงชั้นนั้นก็ทรงแสดงว่าจะเป็นผู้ไม่หลงตายและตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติซึ่งอานิสงส์เหล่านี้บางอย่างก็ไกลคือยังอีกนานแต่บางอย่างเป็นเรื่องที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในขณะนั้นๆคือความส ง, งบความเยือกเย็นที่ปรากฏขึ้นภายในจิต อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสทั้งหลายนั้นส่งอุปมาเหมือนไฟที่เรียกว่าโทสักขิไฟคือโทสักเมื่อบุคคลสามารถดับไฟคือโทสักพยาบาทความอาฆาตเป็นต้นได้ด้วยเมตตาความสงบเย็นก็จะบังเกิดขึ้นความร้อนด้วยเพลิงกิเลสบังเกิดขึ้นในจุดใดถ้าหากว่าสามารถดับเสียได้ด้วยเมตตาน้ำคือเมตตา ความเย็นก็จะบังเกิดขึ้นในจุดนั้นและนั้นเมตตาธรรมที่บุคคลกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นเป็นผลที่เห็นได้กันในขณะนั้นนั้นส่วนจะเป็นความสงบความเยือกเจ็นมากน้อยแค่ไหนเพียงไหร่ก็เป็นปริมาณของเมตตาว่าบุคคลก่อให้เกิดขึ้นมากหรือน้อยยิ่งมากเท่าไรความสงบเย็นก็จะบังเกิดขึ้น มากเท่านั้นและกุศลและธรรมเราอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดติดตามมาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มพูนและดำรงมั่นคงมากยิ่งขึ้นประการที่สองคือเรื่องของความเสียสละในลักษณะที่เกื้อกูลอนุเคราะห์สรงเคราะห์แก่บุคคลอื่นซึ่งข้อนี้ในชั้นของกรรมฐานก็คือเรื่องของจากยานุสติ ในชั้นของธรรมะทั่วๆไปก็คือทานหรือคือจาค่ะหรือบางครั้งเราเรียกว่าปริจาคะหรือการบริจาคคุณธรรมเหล่านี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจของบุคคลที่อยู่ร่วมกันเอาไว้พัลลักษณะทางสังคมนั้นเป็นเรื่องของกิริยาปฏิกริยาเมื่อมีการให้ก็จะมีการให้ต่อ เมื่อมีการไหว้ก็จะมีการไหว้ตอบเมื่อมีการบูชาก็จะมีการบูชาตอบเมื่อมีการนับถือก็จะมีการนับถือตอบและจะเป็นไปในลักษณะนี้เรื่อยไปทั้งด้านบุกและด้านลบแต่ธรรมะที่เป็นเหตุได้เกิดความรักสงสงดงในรูปของการเสียสละเกื้อกูลอ น, นุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นการเชีย่ยเห็นว่าภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นประกอบด้วยเมตตาจริง จะสามารถแสดงออกมาได้ทางกายด้วยทางวาจาด้วยทำเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสังฆะวัตุ ว, ว่าถ้าหากว่าทำเครื่องสงเคราะห์ซึ่งมีฐานเป็นต้นนั้นไม่มีอยู่ภายในบุคคลแล้วแม่มารดาบิดาก็ไม่อาจที่จะได้รับการเคารพนับถือสักการบูชาจากอุทิดา และแม้โลกนี้เองก็ไม่อาจที่จะดำเนินไปได้โดยทรงอุปมาธรรมะสี่ข้อซึ่งเริ่มต้นด้วยฐานว่ามีลักษณะเหมือนลออรถที่จะนำโลกคือชาวโลกทั้งมวลให้ไปสู่จุดหมายปลายทางคือความสุขความสวัสดีได้การเสียสละนั้นนอกจากจะเป็นการแสดงถึงพื้นจิตที่กรอบดยเมตตาแล้ว ตัวผลที่เกิดขึ้นคือการทำหน้าที่ขจัดมัจฉริยะความสนิทความหวงในสิ่งเหล่านั้นออกไปทำหน้าที่สละบรรเทาระงับดับกิเลสได้ในขณะนั้ น, น, นจนบางท่านมีอัธยาศัยใหญ่คือพร้อมที่จะเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่บุคคลอื่นโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากส่วนตนเอง ซึ่งคุณธรรมข้อนี้บุคคลสามารถเห็นได้ชัดเจนในพระราชประวัติของสมเด็จพระปริยะม า, าราและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี้ว่าทรงดำรงมั่นคงอยู่ในธรรมะทั้งสองประการนี้คือมีความเสียสละเป็นอย่างสูงไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากส่วนพระองค์ซึ่งแน่นอนล้กเกินว่าเมื่อพระองค์ซึ่งอยู่ในฐานะเช่นนั้น สามารถปฏิบัติได้คนซึ่งอยู่ในฐานะเหล่าอื่นก็อาจปฏิบัติได้เช่นเดียวกันและเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลอานิสงส์ที่เจพึงเห็นได้ในปัจจุบันนั้นก็คือการสามารถผูกมิตรไมตรีเอาไว้ได้สามารถขจัดความสนิทความหวงความโลภในทรัพย์สมบัติเอาไว้ได้ และเกียรติคุณนันดีงามเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปคือฟุ้งกระจายไปในที่ต่างๆเป็นผู้ที่มีบริวารมีพักพวกมีคนเคารพนับถือมากจะเข้าไปในสมาคมใดกองอาจกระหานเป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสมาคมนั้นได้ชื่อว่าเป็นการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าของชีวิต เพราะเรื่องของชีวิตนั้นแท้ที่จริงแล้วการดำรงอยู่ในโลกนี้ของคนทั้งหลายนั้นก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าจุดที่แตกต่างซึ่งสำคัญมากก็คือการใช้ชีวิตในแต่ละขนาดของบุคคลเหล่านั้นว่าได้ใช้ชีวิตไปในลักษณะอย่างไรใครสามารถฉกฉวยโอกาสที่มาถึงข้าวบำเพ็ญเพียรกระทำความดีในลักษณะต่างๆให้บังเกิดขึ้น ชีวิตของบุคคลนั้นก็ชื่อว่ามากด้วยสาระมากด้วยการสั่นอย่างที่พระพุทธเจ้าเมื่อทรงประรบถึงการกระทำความดีของบุคคลทั้งหลายทรงแสดงในลักษณะผูกพันกับการเวลาเอาไว้ว่าการเวลาหมุนไปกินตัวเองด้วยกินอายุของสรพรพสัตว์ไปด้วยเธอทั้งหลายจงอย่าปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไป เพาคนที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปย่อมจะเศร้าโศกเสียใจในการไปรดังความเพียรพยายามนั้นควรรีบทำเสียในวันนี้ในขณะนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่อาจสามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้หรือไม่อีประการหนึ่งนั้นเมื่อกุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นภายในจิตใจ ทรงสอนให้บุคคลรีบเร่งกระทำในขณะนั้นโดยด่วนโดยฉับพลันตามกุศลละเจตนาที่ปังเกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่าปล่อยให้การเวลาเนิ่นช้าไปอากุศลต่างๆก็จะเกิดท่วมทับจิตใจหยุดยั้งการกระทำความดีของบุคคลเหล่านั้นเอาไว้กุศลละเจตนาทั้งหลายมีการบริจาคเป็นต้นจึงมีลักษณะอย่างนั้น เป็นเรื่องของบุคคลซึ่งต้องพยายามกระทำให้ได้ตามกุศลในเจตนาซึ่งอาจจะมากหรือน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่บางครั้งรูปของการเสียสละก็ออกมาในรูปของการสละความรู้สึกเท่านั้นเองเช่นว่าเกิดความขัดเคืองเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็ให้อภัยแก่ บ, บุคคลนั้นสิ่งที่ให้ก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้สิ้นเปลืองอะไร แล้วก็มีผลโดยตรงกับจิตใจของบุคคลผู้ใ้ในเบื้องต้นการเสียสละการให้การอนุเคราะห์กันจึงเป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคคลผู้อยู่ร่วมกันอีกประการหนึ่งประการต่อไปก็คือเรื่องของความมีศีลหรือมีระเบียบวินัยซึ่งเรื่องนี้ถือว่า เป็นข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อขัดเกลาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของบุคคลให้บุคคลเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสันติสุขภายในสังคมได้ในชั้นที่ประณีตขึ้นไปดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่าเรื่องของศีก็คือเรื่องศีลานุสติ การตั้งสติตามระลึกถึงคุณแห่งศีลที่มีอยู่ภายในตนในชั้นของเจตนาคือความจงใจความตั้งใจที่จะงดเว้นไม่ละเมิดไม่กระทำสิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นเพราะมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าห้ามไว้อาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มีโทษเป็นบาปไม่ควรกระทาหรืออาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าศีลนี้ดี แล้วไม่กระทาก็ตา่างกุศลลเจตนาเหล่านี้จะก่อให้เกิดเป็นการละเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำในลักษณะที่ผิดแบบแผนกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่ทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ก็ตา่างที่เป็นกติกาเงื่อนไขของสกุลวงของครอบครัวของสถาบันต่างๆก็ก็ตา่าง ก็มีความสำนึกรับผิดชอบมัาจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้แล้วอาการปกติทางกายทางประจาก็จะบังเกิดขึ้นผลคือความส ง, งบเย็นในแก่ส ง, งบเวนส ง, งบภัยส ง, งบความเดือดร้อนก็จะติดตามมาในชั้นของการปฏิบัติภาวนาเมื่อผลเช่นนี้ปรากฏขึ้นก็ทำให้บุคคลอยู่ในสภาพพร้อมที่จะน้อนมนำเอาศีล ซึ่งประพฤติปฏิบัติดีแล้วมาเป็นอนุสติคือตั้งสติตามระลึกถึงขุนศีลก็อให้เกิดเป็นปีติเป็นปราโมทเป็นความสงบขึ้นได้ตามสมควรแก่การระลึกแห่งตนดังนั้นพระพุทธพระภาคเจ้าจึงรับสั่ง ส, สรรเสริญศีลไว้โดยอนเนกปริยายเช่น ว, ว่าศีลเป็นเลิศในโลก ศีลให้สำเร็จประโยชน์จนจาบเท่าจราศีล น, นำมาซึ่งโคะนำมาซึ่งความสุขและก็ให้เกิดเป็นผลคือการสงบระงับดับกิเลสในชั้นต่างๆจนถึงนิพพานได้ในที่สุดความเป็นผู้มีศีลนั้นก็ให้เกิดเป็นความไวเนื้อเชื่อใจ ความเคารพรักความมั่นใจต่อกันเลยกันใครก็ตามเป็นผู้มีศีลก็เป็นที่รักของบุคคลอื่นเพราะว่ากลิ่นของศีลคือกลิ่นของความดีนั้นทรงแสดงว่าเป็นกลิ่นที่พึงปรารถนาของบุคคลทั้งหลายและเป็นไปได้ทั้งทวนลมและตามลมอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายไว้ว่าตามปกติแล้วเทวดานั้นจะไม่มาสู่โลกมนุษย์ รกลิ่นของมนุษย์ปรากฏแก่เทวดาไกลถึงร้อยโยศแต่ที่เทวดาต้องมาเฝ้าพระพุทธเจ้าบ่อยๆในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นการมาด้วยกลิ่นของศีลแห่งพระผู้มีพระภาคจ้าเท่านั้นและมาแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับโลกกับบุคคลโลกอื่นดนั้นเวลาเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาจึงยืนเฝ้ากราบทูลถามปัญหาฟังพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วก็กลับ จึงเป็นการเชี่ย้เห็นว่าคุณธรรมคือศีลนั้นอำนวยผลให้เกิดเป็นความสงบประงับแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติโดยลำดับและเป็นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้และนอกจากนั้นเมื่อปฏิบัติให้ดีในศีลแล้ว ยังก่อให้เกิดผลในระดับอื่นๆขึ้นมาอย่างที่ทรงแสดงว่าศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมก่อให้เกิดเป็นสมาธิสมาธิที่บุคคลอบรมกระทําให้มากแล้วย่อมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นปัญญาที่บุคคลสร้างให้บังเกิดขึ้นนั้นจะก่อให้เกิดเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงตอนนั้นคุณธรรมประการต่อไปจึงเน้นไปที่ปัญญา ได้แก่ความรู้เห็นตามเป็นจริงในชั้นสามัญทั่วไปนั้นพระพุทธเจ้ามักจะทรงแสดงธรรมะเป็นคู่ค่กันไปว่ารู้อะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรควรประพฤติปฏิบัติและอะไรควรเว้นซึ่งหมายความว่าการที่บุคคลสามารถจำแนกแยกแยะได้เช่นนี้ ปัญญาจะต้องปรากฏภายในจิตของบุคคลมากพอสมควรและก็อให้เป็นฐานคือสมมาธิติที่เรียกว่าความเห็นชอบความเห็นชอบก็คือความเห็นที่ตรงต่อหลักซึ่งทรงจัดสรู้และทรงสดแสดงไว้เพราะมีความรู้ในเรื่องราวต่างๆเป็นอันมากที่เราไม่สามารถจะรู้ด้วยปริยัตยิคือการศึกษาและเรียนและการสดับจับฟังได้ แต่จะต้องอาศัยรู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่บางอย่างก็ปฏิบัติไม่ถึงบ้างเรียนไปไม่ถึงบ้างประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการพยายามปรับความเห็นของตนให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เรื่องอะไรที่ยังคิดไม่ได้วินิจฉัยไม่ออกก็ทำความรู้สึกไว้ภายในใจว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้อย่างที่ ท่านศรีหเสนาบดีได้กราบทูลอานิสงค์ของทานแด่พระผู้มีพระภาคยะพระพุทธองค์ทรงแสดงอานิสงค์ของทานไว้ถึงหประการเช่นว่าผู้ให้ทานเป็นที่รักของคนทั้งหลายคนเป็นอันมากยอ่อมพข้าหาสมาคมของเขาเกียรติคุณดีงามของเขาฟุ้งขยอ้อนไปเข้าไปในสมาคมใดโกงอาจกระหายไม่ขั้นครับไม่หลงตายและตายไปบังเกิดในสุคติ ท่านได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสีข้อแรกนั้นข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้แต่ว่าสองข้อหลังนั้นข้าพระองค์ขอเชื่อพระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์สรุปเป็นการตัดปัญหาคือวิจิกิจฉาซึ่งเป็นตัวนิวรณ์ให้ออกไปจากจิตใจคนไม่ต้องสูญเสียเวลามาวิตกมาตรึกนึกถึงเรื่องที่เกินสติปัญญาของตนจะวินิจฉัยได้ หลักธรรมทั้งสี่ประการที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นปิยกรณธรรมคือธรรมะที่ก่อให้เกิดเป็นความรักความสมัครคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่พระพุทมีพระภักรเจ้าทรงแสดงไว้ว่าปิยกรณาคือก่อให้เกิดความรักครุกรณาก่อให้เกิดความเคารพสังหายะก่อให้เกิดการสงเคราะห์กันอวิวาดายะ ป้องกันการวิวาการทะเลาะกันสามัคคีญาก่อให้เกิดความสามัคคีและเอกีภาวะญาคือก่อให้เกิดเป็นเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและที่สําคัญก็คือว่าคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ทั้งสี่ประการโดยสรุปนี้มีอยู่ในประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิยาหมาราชและมีอยู่ในสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนี ซึ่งอยู่ในฐานะของสมเด็จสมเด็จเจ้าของประชาชนในโอกาสพิเศษเช่นนี้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบสนักว่าภูชนญญะบุคคลทั้งสองพระองค์นั้นได้มีคุณูปการแก่ประเทศชาติประชาชนเป็นอนเนกรประการจึงได้มีจิตอันกรอบด้วยความกตัญญูกตวเวที ปราธนาที่จะแสดงออกซึ่งความสานึกคุณเหล่านั้นให้ประจักษ์จึงพร้อมใจการบำเพ็ญเพียรจิตภาวนาเพื่ออุทิศกุศลผลอันเกิดขึ้นจากการสมาทานศีลจากการฟังธรรมและบำเพ็ญกรรมฐานอุทิศถวายแด่พระองค์ท่านเพื่อให้เกิดผล แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอม้เจจุหัวเป็นรูปของความสุขในคติภพที่ทรงบตญได้ก่อให้เกิดเป็นนายุวณะความสุขแก่สมเด็จพระศกกรีนครินทราบรมราชชนีและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นได้เกิดขึ้นแล้วแก่ผู้ปฏิบัติโดยทั่วกันทุกคนดังนั้น ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันบำเพ็ญจิตภาวนาและอุทิศกุศลเพื่อให้เกิดผลแก่ปูชนิยบุคคลทั้งสองพระองค์ดังกล่าวแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป